สามจุดสองสาสรุปวิธีปฏิบัติธรรมวงเล็บเปิดสามสิบมีนาคมสองพันห้าอห้าสิบอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีแปดวงเล็บปิดศาสนาพุทธในเมืองไทยเราไม่รู้จะอยู่ได้แค่ไหนนะอยู่ที่พวกเรานั่นแหละมีฝีมือแค่ไหนในการรักษาสืบทอดก่อนจะรักษาสืบทอดเรียนให้รู้เรื่องนะฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดแล้วนี่ การปฏิบัติธรรมจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะหลวงพ่อแจกแจงอย่างละเอียดเลยว่าการปฏิบัติธรรมนี่เราจะทำอะไรเราจะทำเพื่ออะไรเราจะทำอย่างไรบอกไว้ละเอียดละ อ, อทุกขั้นตอนแบบไม่มีการปิดบังเราจะทำอะไรละ่ะมีสมถะกับวิปัสสนาจะทำเพื่ออะไรสมรถะททำเพื่อให้จิตใจสงบสุขได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงวิปัสสนาทาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตา มันไม่ใช่ตัวเราพอเห็นความจริงแล้วก็จะหมดความเห็นผิดว่ามันเป็นเรานี่ได้โสดาจนกระทั่งหมดความยึดถือในกายได้พระอนาคาคาหมดความยึดถือในจิตเป็นพระอระหรันต์นี่เส้นทางเดินมีอย่างนี้แล้วทําอย่างไรถ้าต้องการทําสมถะเพื่อพักผ่อนให้หาอารมณ์ที่เป็นกุศลมีเงื่อนไขนะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลและเป็นอารมณ์ที่จิตของเราชอบใจ แล้วก็รู้อารมณ์นั้นไปอย่างสบายๆรู้เล่นๆรู้สบายๆให้ใจเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นที่เป็นกุศลและที่เราชอบใจอารมณ์ที่เป็นกุศลแต่เราไม่ชอบใจก็อย่าไปเอามันทําอย่างนั้นจิตไม่สงบจิตมันสงบได้เพราะมันอยู่ในอารมณ์ที่ชอบใจและมีความสุขแต่อารมณ์ที่ชอบใจแต่เป็นฝ่ายอากุศลก็อย่าไปเอามันทําแล้วมีอกุศลติดตัวเลยต้องเลือกอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่หลักของสมถะไม่ยากอะไรหรอก หาอารมณ์ที่มันไม่ใช่อกุสลขึ้นมาแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ชอบใจสบายใจที่ได้รู้สิ่งนั้นนะบางคนทถนัดสบายใจถ้าได้รู้ลมหายใจก็เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องอยู่บางคนถนัดพุโทโธก็ใช้พุโทโธถนัดรู้ท้องพองยุบแล้วสบายใจก็รู้ท้องพองยุบไปถ้ารู้ท้องพองยุบแล้วเครียดก็ไม่เอาแสดงว่าไม่ถูกกับจริตเราอารมณ์กรรมฐานสาหรับการทาสมถะนี่มีให้เลือกเยอะแยะ ขยับนิ้วแบบนี้ก็ได้ขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นอกุศลแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานะอารมณ์ของวิปัสสนามีแต่เรื่องกายกับใจต้องรู้กายรู้ใจแต่ไม่ใช่รู้กายรู้ใจไปเฉยๆต้องปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานเพื่อเราจะได้เห็นไตรลักษณ์วิปัสสนาที่แท้จริงคือการที่เรามีสติมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนา ถ้าไม่ได้รู้กายรู้ใจไปเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องมารู้กายรู้ใจสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนี้เรารู้สึกเป็นตัวเราให้คอยรู้ลงไปสิ่งที่เรานึกว่าตัวเรานี่เป็นตัวเราที่แท้จริงหรือไม่บางคนเห็นแต่ว่ามันมีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาทั้งทางกายทางใจเช่นหายใจออกหายใจเข้านะเคยหายใจออกแล้วก็ไม่ได้หายใจออก กลายเป็นหายใจเข้าเคยหายใจเข้าแล้วก็กลายเป็นหายใจออกนี่แสดงความไม่เที่ยงเคยนั่งแล้วก็กลายเป็นยืนยืนแล้วก็กลายเป็นเดินเดินแล้วก็กลายเป็นนั่งนั่งแล้วก็กลายเป็นนอนอะไรอย่างนี้นะกลับไปกลับมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เคยมีแล้วไม่มีนี่เรียกว่าอนิจจังจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเคยมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่มีไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเกิดมีขึ้นนี่เรียกว่าอนิจจังเช่น จิตใจของเราเคยแต่ฟุ้งซ่านพอมาฟังธรรมแล้วจิตใจเกิดความสงบขึ้นมาฉะนั้นความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงแล้วพอสงบได้สักพักหนึ่งก็กลับไปฟุ้งซ่านใหม่นี่สง บ, สงบไม่เที่ยงอีกแล้วไม่มีแล้วมีมีแล้วไม่มีเรียกว่ามันไม่เที่ยงเราจะเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้จิตใจของเรานี่เราบังคับมันไม่ได้นะจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วสั่งไม่ได้เ ร, chemicals chemicals. เราเลือกไม่ได้การที่เราเห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้จริง มันไม่อยู่ในอำนาจนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาการที่เราเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะทำให้เราละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้มันเป็นตัวเราที่ไหนมันเกิดแล้วมันก็หายไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นตัวเราที่ไหนมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราทาอะไรไม่ได้สักอย่างฉะนั้นดูลงไปเรื่อยจะเห็นการที่เราเห็นกายเห็นใจสแสดงไตรลักษ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะทำให้ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราจิตใจจะเป็นกลางนะรู้กายรู้ใจด้วยความเป็นกลางก็ยอมรับว่ามันเป็นไตรลักษณ์ถ้าใจเราไม่ยอมรับความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจจิตใจจะไม่เป็นกลางอย่างเราไม่เห็นเราก็ไม่ยอมรับว่าร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เราอยากให้ร่างกายมีแต่ความสุขตลอดเวลาเราไปอยากในสิ่งซึ่งไม่จริงในที่สุดเราก็ทุกข์ใจนะเพราะว่าร่างกายแปรปรวนไป ถ้าเรายอมรับความจริงว่ากายนี้มันเป็นก้อนทุกข์นี่อย่างไรมันก็ต้องทุกข์นะเดี๋ยวว่าหนึ่งมันก็แก่ก็เจ็บตายไปยิ่งแก่ยิ่งทุกข์เยอะขยับตัวผิดจังหวะ น, นิดเดียวยังเคล็ดไปตั้งสามสี่วันนะเอี้ยวตัวหน่อยนึงก็ยอกไปทั้งตัวแล้วอย่างนี้นี่มันมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าจะยอมรับความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์เวลามันทุกข์ขึ้นมาจะไม่กลุ่มใจเราจะเป็นกลางกับมันแต่ถ้าไม่ยอมรับมันจะกลุ่มใจ ฉะนั้นถ้าเห็นไตรลักษ์แล้วจะเป็นกลางถ้าเห็นอย่างอื่นจะไม่เป็นกลางอย่างเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนี่จะเกลียดมันไม่เป็นกลางหรอกฉะนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นเป็นก้อนธาตุก้อนขันนะเฉยเมยมันก็ใช้ไม่ได้นะใจแห้งแล้งจืดๆไปแต่ถ้าเห็นว่าเป็นก้อนธาตุก้อนขันไม่ใช่ตัวเรานี่มันเป็นแค่วัตถุของโลกอย่างนี้เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ถ้าไปคิดๆเอาว่าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุก้อนขัน นี่ก็แค่คิดทิศเอาไม่ใช่ว่าเห็นไตรลักษณ์ไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์นะจิตทึงจะเป็นกลางหรือเราภาวนาแล้วเราเห็นจิตใจมีแต่ความสุขนี่เราเห็นว่าจิตนี้เป็นของว่างจิตนี้เป็นของที่มีความสุขถ้าเห็นอย่างนี้จะไม่เป็นกลางเราจะเพลิดเพลินพอใจแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตเป็นของบังคับไม่ได้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะเป็นกลาง ฉะนั้นถ้าเห็นไตรลักษณ์นะจะเป็นกลางถ้าเห็นอย่างอื่นจะไม่เป็นกลางเป็นกลางสําคัญอย่างไรเป็นกลางแล้วจิตจะหมดความดิ้นรนเป็นกลางก็คือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในรูปนามในกายในใจนี้เป็นกลางเมื่อไม่ยินดีและไม่ยินร้ายก็ไม่มีแรงผลักที่จะทําให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาถ้ายินดียินร้ายจะมีความดิ้นรนปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจเราเช่นร <lleva> ่างกายเราไม่สบายแล้วเรายิานร้ายใช่ไหม จิตใจมันทุรนทุรายดิ้นรนหาความสุขไม่ได้หรือจิตใจมันแห้งแล้งทำอย่างไรนะมันจะชุ่มชื่นดิ้นรนหาทางทำจิตให้ชุ่มชื่นเกิดการดิ้นรนเกิดการทำงานการทำงานใดๆทางจิตใจเรียกว่าภพที่ว่าสร้างภพสร้างชาติน่ะมีภพขึ้นมาคือมีการทำงานมีชาติก็คือมีผู้กระทางานขึ้นมามีภพก็มีการทางานของจิตมีชาติก็มีผู้กระทางานคือมีตัวเราขึ้นมา แล้วก็มีทุก์ตามมาทันทีที่เราไปหยิบฉวยเอารูปธรรมนามธรรมมาเป็นตัวเรานะน้ำหนักจะเกิดขึ้นในจิตเพราะขันห้าเป็นตัวหนักขันห้าเป็นตัวทุกขขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าบุคคลที่แบกของหนักไปนี่ไม่พ้นจากทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายพระอารหันต์ทั้งหลายวางของหนักลงแล้วคือวางความยึดถือขันลงแล้วจะไม่รู้สึกเป็นเราอีกนะไม่ยึดถือเลย ท่านบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายวางของหนักลงแล้วและไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากความทุกข์ใจเราไม่มีน้ำหนักขึ้นมาใจที่ปราศจากน้ำหนักนะมันจะเหมือนอะไรมันจะเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนี่ดูสิแผ่นดินไม่รับรู้ถึงน้ำหนักนะอันนี้ฟังยากภูเขาทั้งลูกนี่ถ้าเราภาวนาเป็นเรามองไปเนี่ยภูเขาทั้งลูกไม่มีน้ำหนักดินน้ำไฟลมไม่มีน้ำหนักในตัวของมันอย่างน้ำทั้งมหาสมุทรนะ เราไม่ไปแบกเอาไว้ก็ไม่มีน้ำหนักนะใจเราจะเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนไฟเหมือนลมอะไรมากระทบกระทั่งนะจิตก็เป็นกลางวางเฉยอยู่อย่างนั้นเองพระสารีบุตรเคยเปรียบเทียบจิตใจของท่านว่าจิตใจของท่านเหมือนแผ่นดินคนเอาของเหม็นหรือของหอมมาทาก็เฉยเฉยไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาใจของท่านเหมือนน้ำน้ำไม่เคยบ่นเลยเอาศพไปทิ้งน้ำก็ไม่บน่น หรือเอาดอกไม้ไปโยนใส่น้ําก็ไม่ดีใจใจของท่านเหมือนลมลมพัดผ่านไปในเชิงตะกอนพัดผ่านซ้วมหรือพัดผ่านดอกไม้ของหอมพัดผ่านสาวสวยลมก็เหมือนเดิมลมไม่ได้ดีใจลมไม่ได้เสียใจเหมือนไฟนะมีเชื้อเชื้อนั้นจะดีเชื้อนั้นจะเลวไฟก็พร้อมจะไหม้ไปตามหน้าที่ของไฟจิตนี้ก็เหมือนกันนะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาให้เป็นภาระทางจิตใจ จิตใจโปร่งโล่งเบาไม่มีน้ำหนักคําว่าในเครื่องหมายคําพูดไม่มีน้ําหนักไม่ใช่แปลว่าเบาเบานั้นมีน้ําหนักนะแต่เป็นน้ําหนักติดลบใช่ไหมอย่างเราเอาลูกโป่งสวรรค์หรือลูกบอลลูนมาผูกกับตาช่างนะตาช่างมันดีกลับใช่ไหมมันมีแรงดึงมันมีน้ําหนักเหมือนกันแต่น้ําหนักมันติดลบจิตซึ่งภาวนาเต็มชั้นเต็มภูมิแล้วไม่มีน้ําหนักไม่หนักไม่เบาไม่ดีไม่ร้ายไม่ละเอียดไม่หยาบ แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งล้วนๆซึ่งไปรู้ธรรมะล้วนๆ น, นี่ค่อยฝึกนะาศาสนาพุทธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะชี้ด้วยว่าวัตถุประสงค์คืออะไรชี้ว่าวิธีการทําอย่างไรบอกด้วยว่าทําแล้วจะเป็นอย่างไรไม่ต้องอาศัยความเชื่ออะไรเลยบอกทิศทางให้อย่างละเอียดยิบเลยอยากพ้นทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายที่ใจมีสติรู้กายรู้ใจวิธีรู้กายรู้ใจก็บอกอย่างละเอียดก็คือวิธีเจริญวิปัสสนานั่นเอง พอปฏิบัติเต็มที่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจมันพ้นทุก์พ้นแบบไหนพ้นเพราะมันไม่ยึดถืออะไรไม่ใช่พ้นเพราะไม่มีอะไรแต่พ้นเพราะไม่ยึดถืออะไรไม่ใช่พ้นเพราะไม่มีกายไม่ใช่พ้นเพราะไม่มีใจมีกายมีใจอยู่แต่ไม่ทุก์เพราะไม่ได้ไปหยิบฉวยมันขึ้นมาไม่มีคําสอนชนิดนี้ในที่อื่นมีแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนได้ละเอียดละออขนาดนี้